วาระหนึ่งอุปาทวาระหนึ่งปัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจากขายาตนะมูลกะในสิบแปดอนุจากขายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ จากขายาตนะของบุคคลเหล่าน no ั้นกำลังเกิดแต่โสตายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและโสตะเกิดได้กำลังอุบัติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตายาตนะก็กำลังเกิดปาฏิโสตายาตนาของบุคคลใดกำลังเกิดจากขายาตนาของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตายและจักผุเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักผุเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กาลังอุบัติ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูและคานะเกิดได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานายัตนะก็กำลังเกิดปฏิคานายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ คานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขายาตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจักรหัวเกิดได้กําลังอุบัติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักขายาตนะก็กําลังเกิดอนุจักขายาตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายัตนาของบุคคลใดกําลังเกิด จักระยจตณะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จกักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักรายจตณะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขายจตณะก็กำลังเกิดอนุจักระยจตณะของบุคคลใดกำลังเกิด มนายาตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายาตนาของบุคคลใดกําลังเกิดจากขายาตนาของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายาตนาของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขายาตนาไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติมนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด และจักขายตัตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปติธรรมายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่จักขายัตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักรคู่เกิดได้กาลังอุบัติทำมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขายัตนะก็กำลังเกิดจักขายัตนะมูลกะในจบคานายัตนะมูลกะในสิบเก้าอนุคานายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 คานายตานะของบุคคลใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายตานะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตานะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายตานะไม่ใช่กาลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานายจตนะก็กำลังเกิดอนุคานายจตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายจตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายจตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายจตนาของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในย0สอนุรูปายตนะของบุคคลใดกำลังเกิด มนายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังอุบัติรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนายาตนะก็กำลังเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดกำลังเกิด รูปายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่รูปายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตได้รูปเกิดได้กำลังอุบัติมนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและรูปายาตนะก็กำลังเกิดอนุรูปายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิด ธรรมายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปติธรรมายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปลายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่รูปลายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด และร <n upside> ูปายตนะก็กำลังเกิดรูปายตนะมูลกะในจบมันายตนะมูลกะในยี่สิบเอ็ดอนุมัญนายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดมันายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมานายตนะก็กำลังเกิดมานายตนะมูลกะในจบอนุโลมโอกาสจักขายาตนะมูลกะในยี่สิบสองอนุ จะขายยตนะในภูมิใดกำลังเกิดโสตายยตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายยตนะในภูมิใดกำลังเกิดจกขายยตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจะขายยตนะในภูมิใด ก, กำลังเกิดคานายาตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรู ป, ปาวจรภูมิ ในภูมินั้นจะขาดยตนะกาลังเกิดแต่ขานายยตนะไม่ใช่กําลังเกิดในกามวจรภูมิในภูมินั้นจะขาดยตนะกาลังเกิดและขาดนายยตนะก็กําล evet. ังเกิดปติขานายยตนะในภูมิใดกําลังเกิดจกขาดยตนะในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจะขาดยตนะในภูมิใดกําลังเกิดรูปลายตนะในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิรูปายตนะในภูมิใดกำลังเกิดจากขายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไนอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่จากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจะโวการะภูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดและจากขายตนะก็กำลังเกิดอนุจากขายตนะในภูมิใดกาลังเกิด มนายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายตนะในภูมิใดกำลังเกิดจากขายาตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นมนายตนะกำลังเกิดแต่จากขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนายตนะกำลังเกิดและจากขายาตนะก็กำลังเกิดอนุ จักขายยตนาในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปติธรรมายตนาในภูมิใดกำลังเกิดจักขายยตนาในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอาศันยสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิดแต่จักขายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการะภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิด และจักขายาตนะก็กำลังเกิดจักขายาตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในยี่สิบสาอนุคานายตนะในภูมิใดกำลังเกิดรูปายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายตนะในภูมิใดกำลังเกิดคานายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในคามาวจรภูมิในภูมินั้นรูปายตนะกำลังเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดพึงทราบว่าคานายตนะในภูมิใดกำลังเกิดมานายตนะและธรรมายตนะในภูมิ น, นันน้นก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีข้อแตกต่างกันมีความสังเขปในวาระต่อไปอนุ ขานายตนะในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะในภูมิใดกำลังเกิดขานายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิดแต่ขานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในกาโมวจรภูมิในภูมินั้น ธรรมายตนะกำลังเกิดและขานายตนะก็กำลังเกิดขานายตนะมูลกะในจบรูปลายตนะมูลกะในยี่สิบสอนุรูปลายตนะในภูมิใดกำลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปลายตนะกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิด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 ในปัญจะวัวคารภูมิและอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกาลังเกิดและรูปายตนะก็กําลังเกิดรูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในยีนน่สิห้าอนุมนายตนะในภูมิใดกําลังเกิดธรรมายตนะในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะในภูมิใดกําลังเกิด มานายตนะในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดในจ ต, ตุโวการภูมิและปัญจกวการภูมิในภูมินั้นธรรมายตนะกำลังเกิดและมานายตนะก็กำลังเกิดมานายตนะมูลกะในจบอนุโลมปุคโลกาฏ จักขายัตณะมูลกะในยีสิหอนุนอนจักขายัตณะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายัตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตณะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุและโสตะเกิดได้กำลังอุบัติ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตายาตนาก็กำลังเกิดปฏิโสตายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีโสตาและจักผูเกิดได้กำลังอุบัติโสตายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจักขายจตนะก็กำลังเกิดอายตนะที่ท่านย่อไว้แล้วเป็นเช่นเดียวกันกับคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดจักขายจตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในยี่สิบเจอนุมนายตระของบุคคลใดในภูมิใดกาลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิดายกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติ ธรรมายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนายาตนะก็กําลังเกิดมนายาตนาโมลกะในจบปัจเจเนกะบุคลคลจะขายยตนาโมลกกะในยี่สิบปอนุจะขายยาตนาของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตายยาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กำลังอุบัติจากคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขูและโสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด จักขายยตนะของบุคคลนั <moi> ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้จักขูเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขายยตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีโสตะและจักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจักขายยตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด อน no ุจากคายยตนะของบุคคลใดไม่ใช er ่กําลังเกิดคานายยะตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขคูเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กําลังอุบัติจากคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายยะตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขคูและคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จกขู่เกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขายยตนะม verified, ไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะและจกักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้รูปเกิดได้กําลังอุบัติ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปลายาตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปลายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติรูปลายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ อนุจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กาลังอุบัติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด และมนายัตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติมนายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักระเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปาิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่จักขายาตนะมูลกะในจบคลานายาตนะมูลกะใน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 คานาญตณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปายาตณะก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิรูปายาตณะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายาตณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายาตณะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายาตณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีคานณเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัติกาณนัยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานัยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายัตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิด คานายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม ว, วิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรร ม, มายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดค tamam านายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่คานายตนะมูลกะในจรรูปายตนะมูลกะในสามสิบอนุรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด มนายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายัติเนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มานายัติเนไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติรูปายัติเนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายัตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติมานายัติเนของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด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 รูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่รูปายตนะมูลกาะในจบมนายตนะมูลกาะในสาสิบเอดอนุมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีเจืตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติมันายตะนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติธรร ม, มายตะนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมันายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิใช่มัมนายตะนะมูลากาในจบปัจจีกะโอกา จักขายัตนะมูลกาในสามสอนุจักขายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายัตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายัตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจักขายัตนาในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ขานายัตตณะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิขานายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายัตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นขานายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขายัตตณะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นขานายัตตณะไม่ใช่กำลังเกิด และจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปฏิรูปรายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายาตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายาตนะในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นจากขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายาตนะไม่ใช่ม่กำลังเกิด ในอาศัญยะสัตตภูมิในภูมินั้นจักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิด ปฏิธรรมายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีจากขายตนะมูลกะในจกคานายตนะมูลกะในสาสสาอนุคานายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในรูปภูมิในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรูปายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายตนะในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิด มนายตนะในภูมิน studios, Breaking assim, an, reform, democrat, main, man, ั้นก hmm. ็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูม right ิในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปติมนายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด คานายัตตณะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานายัตตณะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายัตตณะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปติธรรมายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายัตตณะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีคานายัตตณะมูลกะในจบ รูปายตนะมูลกะในสาสิบสอนุรูปายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปฏิมานายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดอนุรูปายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ธรรมายตนะในภู ม, ม, ม, นมนินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดปฏิธรรมายตน ะ, ะในภู ม, ม, ใมใิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปลายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีรูปลายตนะโมลกะในจบมนายตนะโมลกะในสาสิบห้าอนุมนายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ธรรมายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิกําลังเกิดปฏิธรรมายตนะในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิไม่มีมัญายตนะมูละกาในจบปัจเจเนกะปุคโลกาจักขายตนะมูลกะในสามสิบหกอนุ จักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจากขุเกิดไม่ได้โสตเกิดได้กาลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายาตนะไม่ใช่ไม่กาลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากขุและโสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภ hm. ูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายัตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตาะเกิดไม่ได้จากผูเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่จักขายัตณะไม่ใช่มี่อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจกักขูและโสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจักขายัตณะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมนายัตนะมูลกะใน 37. เอนุมนายัตณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิด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 ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่มานายตนะมูลกาในจบ